บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นรูปกรระแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในส่วนของนิวรณ์คือธรรมที่กั้นจิตบุคคลไว้ไม่ให้บรรลุความดีและขัดขวางการรับความดีตลอดถึงป้องกันการแสดงออกสึกความดี เป็นปัญหาในด้านจิตใจและสุขภาพจิตของคนที่เวลาทรงจาแนกแสดงเอาไว้นั้นจะปรากฏในรูปลักษณะต่างๆแม้บางครั้งองค์ธรรมจะเพิ่มขึ้นจนเรเป็นอุปกกเลสิบกบ้างเป็นมละคือมนถินเก้าบ้างโดยแท้จริงแล้วก็เป็นการสรุปรวมไว้ที่นิวรต่าห้าประการนั่นเอง เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกลุ้ม ร, มรุมใจของบุคคลสร้างปัญหาความว้าวุ่นสับสนก็เริ่มในจุดนี้แม็กิเลตประเภทที่ท่านเรียกว่าอนุสัยก็นอนเนื่องอยู่ในจิตจะสังโยชนผุกิตลสสะสมไว้เรียกชื่อเป็นนั้นเป็นอย่างอื่นอีกเป็นนั้นมากก็ไม่ใช่กิเลสประเภทที่เกิดขึ้นกลุ้มรุ ม, รมใจแต่มัอยู่ข้างล่าง ต้องมีแรงกระทบมาจากข้างนอกโยเนเงินนึกขึ้นมาจากข้างในพรนี้จึงเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นสถานะแกก็เปลี่ยนเป็นพวกนิวรก็ทำนองคล้ายๆกับการเวลาเช่นวันนี้เราก็ถือว่าเป็นปัจจุบันแต่จริงวันนี้เมื่อวานเขาก็เป็นอนาคต แต่พอถึงพรุ่งนี้เขาก็กลายเป็นอดีตเป็นการพูดถึงการเวลาเช่นเดียวกันแต่ในช่วงหนึ่งมันก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆตํานองแรกๆกับการเปลี่ยนของคนตามวัยตามสถานะอาชีพที่ต้องกระทําในขณะนั้นแต่จริงๆแล้วก็เป็นการพูดถึงบุคคลนั้นนั่นเองแต่ก็เป็นการพูดตามอาการของเขาเพราะการปฏิบัติระดับ ของสมถะกรรมฐานจึงมุ่งไปที่สงบนิวรแตในเวลาทรงแสดงในมหาสติปัฏฐานในสูตรนั้นสมมุ่งถึงการประพฤติปฏิบัติที่เหนือกว่าสมถะกรรมฐานหรือข้นสูตรจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นการปฏิบัติในรูปของการตัดขาดแ้ดนในตอนสุดท้ายของนิวรในแต่ละข้อ เป็นกามฉันที่ละได้แล้วจะไม่บเกิดขึ้นอีกโดยวิธีใดคอยรู้วิธีนั้นอันที่จริงในภาคปฏิบัติแล้วกามฉันที่ละแล้วจะไม่เกิดขึ้นได้อีกนั้นก็มีได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคืออรหัตตมกักคือคือละด้วยมกักแต่พอดีกามฉันเป็นกิเลสประเภทที่ซึมได้ลึก การจะตัดเขาออกจริงๆในรูปของกามฉัน์ก็ต้องอาศัยการบรรลุมรรคผลเป็นพระนาคามีบุคคลแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีความเพลิดเพลินเอื้อิ่มยินดีอยู่ในรูปฌานรูปฌานก็ได้ประมวลสายกิเลสเขาก็เป็นกิเลสประเภทกามฌาน์เหมือนกัน ยิงแต่ว่าอาการก็กลามเนชันกระจางลงไปก็กลายเป็นชันทะความพอใจความยิน ด, ดีความเพลิดเพลิอนอารมณ์เหล่านั้นเมือมาถึงชั้นนี้มันก็ต้องตัดได้ด้วยอรหัตตมัตเพงจะเห็นได้ว่าความรู้สึกเพลิดเพลินยินดีหรือจิตในสมาธินั้นมันเป็นอาการของเวทนาเวทนาขันในขันหานั่นเอง จะจะรากฏในรูปของสุขเวทนาก็มีปีติมีความสุขมีความสงบเป็นฐานรองใจของบุคคลดูพาปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องพินิจพิจารณาเห็นโทษมันก็เห็นได้ยากถ้ามองคล้ายคล้าน้ำสะอาดถ้ามองด้วยตาเปล่ามองยังไงมันก็ไม่เห็นความสุขปรก มันจ้องต้องใช้กล้องขยายมันสองแล้วจึงจะเห็นสิ่งสกปรกผลจิตใจในระดับนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าปัญญาไม่มีกำลังมากพอก็สองไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยังมีกิเลสส ง, งบอยู่ภายในพิยงแต่ว่าเป็นความผ่องใสที่ปรากฏอยู่ข้างบนรับนเอง เรืนี้ทําให้เราพบว่าการศึกษาพระพิปฏิบัติของคณาจารย์เจระิในสมัยก่อนพุทธกาลท่านก็มาติดอยู่ตรงนี้เองโดยท่านเข้าใจว่านี้คือที่สุดแห่งทุกแล้วแล้วก็บัญญัติสภาพเหล่านี้แหละว่าเป็นนิพพานในสรารการรู้พิปฏิบัติเราพุทธเจ้าเราทั้งก็เดินมาในทางทางสายเดียวกันก็มาถึงจุดนี้เหมือนกัน แต่พระเจ้าท่ามีปัญญาบมากท่านสดสองมองดูถึงความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของจิตเวลาถูกอารมณ์เข้ามาก่อ น, นจึงสรงเหตุว่าเป็นความสงบที่ลึกแต่ไม่ใช่เป็นความสิ้นกิเลสตรงจึงทรงเปลี่ยนแล้วก็เดินหน้าต่อไปรังการจะตัดได้ระดับนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่เรื่องจะต้องอาศัยอรหัตมรร แต่เพื่อจะให้คนได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่ตัดกิเลสทั้งกามาชันทั้งผักทัยาบาทซึ่งทรงใช้โครงสร้างเดียวกันพยาบว่าพยาบาททีละได้แล้วจะไม่บังเกิดขึ้นอีกโดยวิธีใดก็รู้วิธีนั้นพยาบาทเป็นกิเลสประเภทลึกเช่นเดียวกับกามาชันเพราะการจะตัดได้ขาด เราต้องอาศัยอนาคามีมักถึงตัดได้แต่ถ้าเรามองสภาพจิตที่มีความละเอียดลึกซึ้งลงไปเราจะเห็นว่าอาการของมานะคือความกระด้างที่เกิดฟูขึ้นภายในใจแล้วก็มีอาการจางๆของโทสะอยู่การจะตัดได้ขาดจริงๆจึงตัดได้ขาดด้วยอรหัตมักเช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าแกไปแฝงอยู่อาการมันไม่ปรากฏเวลาพูดเธอก็ไม่พูดพูดเฉพาะระดับของพระนาคามีทีนี้เมื่อเป้าหมายในการตัดขาดโดยไม่กำเริบที่ที่ท่านเรียกว่าเป็นอกุปรธรรมคือไม่กำเริบมันต้องอาศัยการปฏิบัติระดับนั้นจนึงทรงสอนรูปของการรกการปฏิบัติในลักษณะที่กำเริบเหมือนกันแต่กำเริบน้อยหน่อย ทิ้งช่วงทิ้งสร้างแรงประทะได้สูงมากพอดั้เราจะเห็นว่าโดยลักษณะของอารมณ์ที่กระทบแล้วพระอระหันต์ทั้งหลายหรือพระอริยบุคคลทั้งหลายถ้ามีอารมณ์กระทบในสายของกิเลส ท, ที่ทันละได้แล้วกระทบยังไงก็ไม่กำเริบขึ้นอีก เป็นตัวอย่างพร ะ, ะอริยะบุคคลระดับโสดาบันที่ตัณหวิจิกิจฉาคือความเครือบแครงสงสัยในพระตนตรใยและในใจติขาได้หมดสิ้นแล้วถ้าอาจจะไปพบเห็นการกระทาของพระรูปใดรูปหนึ่งหรือหมู่ใดหมู่หนึ่งหรืออาจจะเป็นร้อยเป็นพันก็ได้ที่ไม่เป็นไปตามหลักของใจสิขาแต่การกระทาของพระเหล่านั้นก็คือพระเหล่านั้น ศรัทธาที่ตั้งมั่นในพรัตนาใจภายในใจของท่านก็คือศรัทธาที่ตั้งมั่นในในพัตนาใจซึ่งยังคงดํารงอยู่อย่างมั่นคงภายในใจของท่านจะไม่กลับไปสู่ความเครียบแกรง่งสงสัยแม้ว่ามีเหตุการณ์อย่างใดเกิดขึ้นก็ตามดังนท่านจึงพูดในแนวของพระยะเอาไว้ว่ากระทบแต่ไม่กระเทือนเพราะอะไรเพราะท่านก็อยู่ในโลกนี้เอง ยังรูปฟังเสียงดมกลิ่นดินรส ถ, ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ตึกนึกถึงอารมณ์อยู่อารมณ์ที่มากระทบนั้นก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นคุณบ้างเป็นโทษบ้างแต่สําหรับท่านแล้วอารมณ์ก็คืออารมณ์รูปคือรูปเสียงก็คือเสียงกลิ่นก็คือกลิ่นรสก็คือรสย็นร้อนอ่อนแข็งก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งแม้จะมากระทบก็ไม่กระเทือนด้วยอํานาจของกิเลส แต่ว่าคนที่ไม่กระเทือนได้รอกตัวจริงๆก็มีเฉพาะพระอระหันต์พระพุทธเจ้าพ ร, ระเรพุทธเจ้าเท่านั้นแต่การปฏิบัติธรรมะในดับที่ต่อสู้กับอารมณ์ประเภทนี้ในชั้นของบุคคลทั่วไปพระเจ้าจึงสอนในรูปของการขัดเกลาือมีความเสริมความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นภายในจิตใจโดยลาดับ อารมณ์บางอย่างที่มากระทบอารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความกำหนัดอารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความขัดขืนบางอย่างที่มากระทบจิตใจจะไม่กระเทือนหวั่นไหวไปด้วยอํานาจของอารมณ์ดอกนั้นโดยสายรรมะต่างๆเป็นนั้นมากอย่างเช่นพวกความอดกลั้นความอดทนความเมตตาสติสมัชัญญาเป็ตนต้น เจตอย่างนั้นทำหน้าที่เป็นใล้ายๆกับมัมแพงบ้างทำหน้าที่เป็นตัวสกัดกั้นเอาไว้หรือบางครั้งก็เรื่องไปป้องกันเอาไว้เจตติเป็นการลึกรู้สิ่งอารมณ์ซึ่งมาจากที่ไกลอิสระปัญญาเป็นตัวสอด ส, ส่องมองเห็นว่าถ้าเราทำเหตุเช่นนี้ต่อไปก็จะเกิดการกระทบในลักษณะนี้ ที่จริงการระทึกของอารมณ์ยังไม่เกิดแต่ท่านก็ประมาณการได้ว่าถ้าทำอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้ที่ท่านเรียกว่ารู้จักเหตุรู้จักผลคือมองเหตุแล้วก็เชื่อมโยงเข้าไปหาผลคือคาดหมายผลที่จะเกิดขึ้นแต่ท่านก็ใช้วิธีต่างๆเช่นระดับที่เราไม่มั่นใจมากพอเราก็ใช้การหลีกเลี่ยง จะแนวากางไม่พบ่านการครบบัณดิตการอยู่ในประเทศที่สมควรนั้นจะเห็นว่าเป็นการเลือกเอาสถานที่อบุคคลที่จะไม่สร้างปัญหาหรือสร้างแรงกระทบพราเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้ากระทบแ ล, แล้วจะรักษาคุณภาพของใจได้หรือไม่ในการปฏิบัติเช่นนี้เป็นเรื่องที่ท่านทำพระพุทธเจ้าท่านก็ทำพระอานนท์ทั้งหลายท่านก็ทำ มันเป็นปฏิปทาเป็นทิฐานุกติที่ทรงสอนให้บุคคลเดินไปโดยวิธีนี้แล้วก็ทำนองใกล้ๆกันเรือที่จะลั่นออกไปสู่ทะเลลึกมองดูสภาพเรือว่าจะไปไม่ไหวก็ไม่ออกไปเรยจจำเป็นจะต้องออกไปก็ แ, แล่นละเลาะฝั่งไปก็ําตัวเองให้ปลอดภัยนั้นปัญญาในแนวองการสอดสองในลักษณะนี้ บางทีก็สร้างเป็นปัจจัยเงื่อนไขเอาไว้ให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติสามารถครองตัวได้โดยกำหนดได้มีการเลือกสถานที่ซึ่งจะไม่มีอารมณ์มากระทบมากเกินไปหรือไม่มีตัวกระตุ้นให้เกิดความกดดันการเคลือนมากเกินไปที่เราเรียกว่าเสนาสนะสปายะคือเลือกสถานที่สบายหรือว่าปุตุสปายะฤดูที่สบายหรืออากาศที่สบาย อาราสปายะอาหารที่ให้ความสบายไม่สร้างปัญหาบุคลาสปายะสุขสวเป็นตัวใหญ่มากคือบุคคลที่เข้าเกี่ยวข้องกขบหาสมาคมนั้นจะเห็นได้ว่าในด้านปัจจจยเกื้อกูลต่อกุศลธรรมต้องแสดงยังไงก็ตามบางอาจจะหลายข้อหกข้อเจ็ดข้อนีงีก็หลายข้อก็นั้นแต่บารองข้อสุดท้ายกับข้อสุดท้ายเนี่ย ท่านจะใช้คำว่าสปายากะถากนรยาณมิตตาคือจะต่อลงมาสองข้อทุกทีสปายากะถาก็คือการพูดจาการสนทนาการโดยถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความสบายไม่มีลักษณะกระตุ้นให้เกิดกิเลสไม่ไม่มีลักษณะกระตุ้นราคาโทรศพโมฆะให้เกิดขึ้นหรือผูกขึ้นภายในใจของบอคุคคล แดยการจะได้ยินได้ฟังถ้อยคาเช่นนั้นได้คนนั้นจะต้องเป็นมิตรกับเราแต่เขาไม่เป็นมิตรเขาก็ไม่พูดในลัณะ น, น, นั้นจึงคงคุมถ้อยคาแล้วก็คุมคนที่เราจะคบเอาไว้ด้วยคำว่ากาลยานมิตตาเดี๋ยวต้องคบหาสมาคมกับคนดีหรือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนในการประพฤติปฏิบัติโดยตลอดทุงธรรมสัตปาย แต่ลองสังเกตว่าทิ่งเหล่านี้ถ้ามีได้มันก็ดีแต่ในชีวิต จ, จริงเราก็มีไม่ได้ทั้งหมดอย่างสถานที่ที่เกื้อกูลอากาศที่เกื้อกูลบุคคลที่เกื้อกูลเป็นเรื่องข้างนอกคือไม่ใช่เรื่องเรื่องมาจากตัวเราอาหารที่เกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลเรามีสิทธิ์จะเลือกได้ธรรมะเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลเราก็เลือกกองเราได้ แต่ว่าคนสถานที่อากาศเป็นเรื่องมาจากภายนอกเพราะมาถึงจุดนี้ท่านก็สอนให้มีการปรับตัวให้อยู่ได้ท่ามกลางความวิปริตของสิ่งเล่า้นจะมีธรรมะอีกแนวหนึ่งเป็นพวกการสํา ร, รวมระวังอินทรีย์การสมีสติระลึกรู้ทันต่ออารมณ์เล่อนั้น คือการรู้จักผมใจห้ามใจและความหมดกลั้นทนทานเป็นตน้นแต่ละอย่างนั้นเป็นการเสนอแนะออกไปใช้แต่ถ้าหากว่ามีารมูปมากระแทกอย่างใดอย่างหนึ่งเราไปใช้ธรรมะข้อใดข้อหนึ่งแต่ตามปกติแล้วธรรมะจะสอนในรูปร่างลักษณะของการสะสมเอาไว้คือพุ่มพืนเอาไว้ พอมามีอารมณ์มาที่เป็นข้าสึกเกิดขึ้นธรรมะเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นแล้าขณะเหล่านี้ไปสังเกตว่าคล้ายๆกับวิชาความรู้ที่เราศึกษาแล้วเรียนสะสมมาเป็นเวลานานในยามปกติมันก็ไม่มีอะไรเราไม่ได้ใช้ความรู้เหล่านั้นออกมาไม่มีเหตุการณ์กระตุ้นให้เกิดต้องใช้ความรู้เหล่านั้นความรู้เหล่านั้นคล้ายๆจะไม่มีแต่แท้จริงเขามี เพียงแต่ว่ายังไม่ถึงคราวที่จะออกมาทำหนา้าที่เท่านั้นเองจะสมมติเเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรามีความรู้อยู่แต่ตั้งตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เจอกับเรื่องเหล่านี้เลยต่อมาเหตการผ่านมาตั้งหลายปีแล้วมาเจอเรื่องเหล่านี้ข้าวแล้วเรารู้จักไปถามไม่รู้จักไปอยังไง ก็ตอบได้ว่าความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเองที่เราเก็บไว้ในอดีตการนานไกลแล้วมันยังมีอยู่พอบีตัวนั้นมากระตุน้นแกก็ออกมาวินิจฉัยตัดสินเรื่องเหล่านั้นก็เกิดรู้จักเรื่องเหล่านั้นธรรมะที่เก็บสะสมไว้ภายในใจก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือยามปกติแล้วคล้ายๆจะไม่มีแต่พอมีอารมณ์ซึ่งธรรมะเหล่านั้นจะต้องเป็นตัวแก้ธรรมะนั้นจะเกิดขึ้นมาได้เอง ปฏินก็เกิดมาได้เองในรูปของอัตโ น, นมัติเป็นการสัมพันธ์กับอารมณ์แต่การเดจะสัมพันธ์อารมณ์นั้นปริมาณธรรมะต้องมากพอธรรมะมากพอมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าแรงประทะจะไม่พอเพราะของจะเกิดเป็นปัญหาในด้านสุขภาพจิตตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าในรูปของอารมณ์ที่เราเลี้ยงยังไม่ได้ เพราะสถานที่ก็จะเป็นต้องอยู่ในที่นั้นอากาศก็ต้องอยู่ในที่นั้นบุคคลก็ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นและทำยังไงยาเขามีปัญหาของเขาเองสถานที่อากาศบุคคลก็มีปัญหาขเขาเองทำอย่างไรเราจะไม่เอาเขาซึ่งมีปัญหาอยู่แล้วมาสร้างปัญหาให้แกเราในขณะเดียวกันเราก็อยู่ในที่เหล่านั้นและนแนวปฏิบัติเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่า อารมณ์ที่มากระทบที่จึงไม่กระทบอย่างเดียวบางอย่างก็เป็นเรื่องของการกระทบบางอย่างก็เป็นเรื่องของการกระแทกแต่บางอย่างมันก็ทุ่งซ้ําแล้วซ้ําอีกบางอย่างมีลักษณะของการกระทําอารมณ์ในแนวนี้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าและพระหานทั้งหลายนั้นท่านผลได้ทุกเรื่องคือจะไม่แสดงอาการวิกาได้ทุกเรื่อง อารมณ์กระทบเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ก็เกิดความยินดียินร้ายกวสามัญชนเกิดขึ้นก็ไม่กระเทือนไปในใจของท่านแต่บางทีมีลักษณะกระแทกมีการสบประมาดดูถูกดูหมิ่นจากบุคคลผู้ไว้วางดีทั้งหลายบางคราวก็มีการใส่ร้ายป้ายสีสร้างความวโสนให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้ระหรทั้งหลายท่านก็รู้แต่ท่านก็ไม่กระเทือน บางครั้งจะมีการกระทุ้งในลักษณะรแรงๆยังการไปประสบกับอารมณ์ที่มีคนด่าที่เมืองโกสัมพีจะเห็นว่ากระทุง้งแล้วกระทุ้งอีกไปถนนไหนก็เจอทุกทีพระพุทธเจ้าท่านไม่กระเทือนพระหันทั้งหลายท่านไม่กระเทือนแต่พอกระทุ้งบ่อยๆพระโสดาบันกระเทือนประนนท์ก็กระเทือนแต่บางทีมันลงถึงการกระทำ เช็นปล่อยช้างนาลาคิริให้แทงสงายกระมังธนูไปฆ่าหรือว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งไปตีหัวภาษาดิบุตรเป็นต้นเลาจเห็นว่ามีการกระทำแต่นั้นก็ไม่กระเพือนตกลงว่าอารมณ์ทุกประเภทว่าจะเป็นการกระทบอาจจะเป็นการกระแทกเป็นการกระทุง้งเป็นการกระทำแต่ท่านก็ไม่กระเพื่อนจิตใจขงสามัญชนนันก็ผิดกันตรงนี้เอง เพราะอะไรเพราะเอาก็จริงแล้วบางทีไม่มีใครกระทบมาจากข้างนอกเราก็กระเทือนกับเราเองนั้นคืออะไรคือลักษณะของวิตกที่มีการเหนียวนึกมีการตรุนึดโดยความคิดรเราเองเกิดปรุงขึ้นมาเองเกิด ค, คิดขึ้นมาเองที่เราเรียกว่าปรุงคิดหรือคิดปรุงขึ้นมาในขณะนั้นไม่มีใครหรืออะไรหรือสิ่งใดที่ทาให้เกิดปัญหา แต่บุคคลก็เป็นเหนียวนึกอารมณ์เหล่านั้นมาเองโดยความกำหนับบ้างโดยความกัดเครงบ้างโดยความรุ่มลงบ้างโดยความมัวเมาบ้างดนสุดจิตใจก็เริ่มแปรผันเปลี่ยนแปลงไปตามการเหนียวนึกของบุคคลในขณะนั้นนั้นนั้นแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตที่อ่อนไหวแม้ใครจะไม่ทำอะไรตัวเองก็กเคือนไปเองแล้ว ถ้าพอมีใครไปทําอะไรมีลักษณะยั่วยุยวนก็กระเทือนกันไปใหญ่อารมณ์ในแนนี้พระเจ้าจึงทรงสอนในรูปของการบรรเทาคือยังไงยังไงก็ลดการติดนึกโดยลักษณะนั้นใช่บ้างเพราะว่าประสบสิ่งที่เป็นปัญหามาจากการเดียวนึกเอาเองปรุงเอาเองคิดตัวเองสร้างปัญหาขึ้นมาเอง เด่จินตนาการว่าสถานที่มีผีแล้วก็กลัวเองแล้วก็ตกใจเองจับฆ่าเองแล้วก็ผมร่วมเองโดยไม่มีใครทําอะไรเลยนั้นคือลักษณะที่เรียกว่ามันไม่มีการกระทบแต่เราก็กระเทือนเองเพราะไม่สามารถควบคุมความคิดไว้ได้ในการปรึกนึกในการเหนียวนึกด้วยอำนาจของกาลไปตกทั้งหลายโดยอำนาจกาลไปตกบ้างพยาบาทไปตกบ้างหรือวิญสาไปตกบ้างแต่เราในลักษณะหนึ่งที่มากระทบ เจอต้าว่าจิตใจของบุคคลแข็มแข็งมากพอบางทีก็ไม่กระเทือนมันทันยังไงในจุดกระทบเพราะอาการกระแทกการกระทุ้งการกระทํานั้นจะมีน้อยกว่าการกระทบในการจะป้องกันอีกสามระดับได้มันก็ต้องอยู่ที่การกระทบป้องกันให้ได้ก่อนถ้าพออารมณ์มากระทบอย่างป้องกันไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงการกระแทกกระแทกก็ล้มเลยเพราะอาการก็แรงกว่า กระทบนั้นบางครั้งก็เบาๆผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราในการปฏิบัติในแนวนี้ที่พระเจ้าสุมเน้นไว้ในที่ต่างๆเป็นอันมากอย่างนี้ทราบแล้วว่าโรคเรานั้นเป็นโรคของสัมผัสมันไม่อื่นไปจากรูปเสียงกลิถถ่นรสบุตรฟ้าธรรมารมหรือตาหูจมูกลิ้นกายใ จะเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหามันก็อยู่กันตรงนี้ดับปัญหาก็ดับกันตรงนี้ตัญหามันก็เกิดตรงนี้กิเลสก็เกิดตรงนี้ธรรมะมันก็เกิดตรงนี้อย่าในี้ทรงสแสดงในโครงสร้างใหญ่หรือตอนสมุทยัยแล้วก็ตอนอิโรธในช่วงหลังทรงสแสดงว่าตัญหาไม่จะเกิดก็เกิดที่นี้ไม่ตั้งอยู่ก็ๆๆตั้งอยู่ในชิดนี้ฟันผ า, ากว่าจะละ มันก็ละในทีน่นี้ถ้าจะดับมันก็ดับในทีน่นี้อารมณ์ที่จะเป็นการเพิ่มพวกนิวรซึ่งอาจจะละได้ไปแล้วในขณะหนึ่งแต่ว่ามีอารมณ์มากระทบจากข้างนอกใจคนจะไปกำหนดเรื่องกำหนดนั้นถือว่าเป็นเรื่องสาคัญเพราะอารมณ์ที่จริงมันเป็นกระแสโลกแกก็เป็นอย่างที่แกเป็นเป็นธรรมชาติั้งแก เพียงแต่ว่าจิตใจของบุคคลไปคว้าไปกำหนดอารมณ์เหล่านั้นโดยอำนาจความกันหนักบ้างโดยอำนาจความกัดเครื่องไปต้นตางความแปรผันภายในจิตก็บังเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวก็ส่งสอนในรั บ, รบลักษณะหลีกเร้นออกไปอย่างที่กล่าวแล้วแต่ในกรณีที่ทำไม่ได้โอกาสหรือสถานะของเราไม่มีทางที่จะทำอย่างนั้นได้เช่น ส, สมมติว่าต้องอยู่บ้าน คือบ้านมันก็อยู่ใกล้เหตุการณ์เหล่านั้นกายบุคคลเหล่านั้นใกล้เสียงเหล่านั้นโดยไปทํางานไปใกล้คนใกล้สถานที่ที่มีปัญหาเราต้องรู้ว่ามีปัญหานั้นที่งจริงมันอยู่ข้างนอกคือปัญหาอยู่ที่เขาเรารู้ว่าเขามีปัญหาเมื่อเขามีปัญหาก็เรื่องของเขาคนเรานั้นมาด้วยกรรมของตนอยู่ด้วยกรรมของตนแล้วก็จากโลกนี้ไปด้วยกรรมของตน ในแง่ความเป็นจริงแล้วความเกี่ยวข้องยงใหญ่กันจะมีอยู่น้อยในชีวิตประจำวันนั้นเราก็อยู่ในกรรมของเราคนอื่นก็อยู่ในกรรมของเขาความสุขความทุกข์ต่างๆจะเป็นเรื่องที่แต่ละคนได้รับด้วยกรรมของตอนเองการเกี่ยวข้องบุกปันกันก็มีน้อยเพราะทายังไงว่าอย่าให้ไอ้สิ่งที่มีปัญหานั้นให้มีปัญหาขีดวงอยู่ตรงนั้น อย่าไปดึงเรื่องเหล่านั้นมาสร้างปัญหาแก่ตัวเองซึ่งบางครั้งก็อาจจะใช้ในแนวปัญญาจนส่งสอนแนวโยนิโสปนัสสิกาลเกิดพิจารณาโดยอุบายวิธีอันแยบขายเหมาะสมแก่เหตุแก่ผลจึงสมมุติว่ามีคนมากระทบมาสร้างอารมณ์กระทบหรือกระแทกหรือกระทุง้งหรือกระทำกระชังนจะเห็นว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นอกุศุนกรรม ที่บุคคลนั้นกระทำแต่บทที่พระเจ้าทรงสอนให้ตรวจสอบพินิจพิจารณานั้นก็คือคนเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นต้นยันที่สุดกันเวลานั้นเขาก็ประกอบด้วยทุจริตครบทางกายทางวาจาทางใจแต่ตอนนั้นเรายังไม่มีทุจริตอะไรทุจริตทางกายทางวาจาทางใจก็ยังไม่ปรากฏทางใจอาจจะมีอยู่บ้างแล้วก็ไม่ออกมา ตีต่างว่าจะตายกันตรงนั้นแล้วก็มีโอกาสจะไปสุขสุขสุคติดีกว่าเขามากกว่าเพราะเขาจิตใจถูกกลุ่มรุมด้วยนาคตั้งกิจยอยู่ความคุณนมัวเป็ความเศร้าหมองปรากฏขึ้นภายในจิตเป็นคุมไว้ไม่ได้แสดงออกมาในลักษณะนั้นก็ ค, คิดไปในแง่ว่ากรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมกันไปเห็นเว่อจะมองในแง่ของกรรมมันก็ตัดตอนตัวเองเออกมาได้ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปร่วมที่พระเจ้าสุนชากมาบริโภคร่วมก็เป็นเรื่องของเขาไปเราไม่เกี่ยวเราสามารถทำใจสงบได้ที่จริงลักษณะของอารมณ์เหล่านี้เราก็ใช้กันได้นหนึ่งปัญหาสำคัญว่าทำยังไงยังใช้ได้ในอารมณ์ทร่ๆทไปคือในบุคคลทั่ๆทไป เพราะแน่นอนบางครั้งมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาบ้างแต่ว่าช่วงของความกำนัดด้วยความกัดเกือนนั้นแม้ จ, จะเกิดขึ้นก็ได้จางไปคลายไปหายไปบรรเทาไปในเวลาที่เร็วขึ้นเมื่อก่อนอาจจะตกค้างอยู่หลายๆชั่วโมงหลายวันหรือบางทีก็หลายๆเดือนหรือบางคนบางอารมณ์ก็หลายหลายปีจะทํายังไงจะลดอารมณ์ในแนวนี้ลงไปบ้าง บางครั้งก็อาจจะมองในแนวที่เห็นโทษอย่างต่อเนื่องยาวนานที่เราประสบกับการมงนไหวไปตามอารมณ์แบบนี้จะเกิดความคิดในแนวที่เรียกว่ามีความหลาบจำก็สามารถที่จะปิดกั้นอย่างน้อยอารมณ์บางระดับที่กระทบไม่แรงเท่าไหร่ก็เป็นลักษณะค่อยๆเสริมสร้างความมั่นคงภายในใจของบุคคลไปโดยดําดับปัญหาสาคัญว่า ในการตัดขาดที่เราเรียกว่าสมุดเฉดคือตัดขาดกันคนํานี้จริงมีมาตั้งแต่ระดับศีลแล้วระดับศีลก็เรียกว่าสมุดเฉดทวีตัดคืองดเว้นด้วยการตัดขาดไปเลยแต่ตัดขาดนั้นจะมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งเป็นระดับอริยมรรคคือตัดขาดจริงๆไม่กําเริบแต่ระดับสามัญนชนมันก็ตัดขาดได้ระดับนั้น แ ง, ง่ของการบรรพุปัติบาตก็คงไม่จําเป็นจะต้องครบสมบูรณ์แต่หมายความว่าในจุดนั้นเราตัดได้ขาดนี่ก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกับที่พระรยบุคคลนั้นตัดกิเลสขาดก็ตัดขาดในสายขสำคัญไม่ได้ขาดหมดระโสดาบานันต้ก็ตัดขาดได้สามอย่างเท่านั้นอย่างอื่นก็ยังไม่ขาดทางการลดละบรรดาความชั่วทั้งหลายที่มีผลเป็นความทุกข์แก่บุคคลทั้งหลายไม่ว่าในยุคใดสมัยใดนั้น ทางคนอาจจะตัดขาดเช่นอย่าในศีลห้าประการต่ยที่ว่าศีลบางข้อเนี่ยจะตัดขาดได้ง่ายมากเช่นข้อที่ห้าสุรามันก็ตัดขาดได้ง่ายก็ต้องสูญเสียเวลาเงินทองไปซื้อขาดหรือข้ออธินาการเมเนี่ยพวกนี้ที่จริงก็ตัดได้ง่ายมากมากัมมุสากกปานาอาจจะยุ่งนิดหน่อย แต่ว่าการใช้ความเพียรพยายามที่จะตัดขาดไปเรื่อยๆนั้นบุคคลจะสัมผัสผลเป็นความสงบเย็นที่มีความประนีตขึ้นไปโดยลําดับตามสมควรแก่อารมณ์แก่กิเลสที่บุคคลได้ตัดขาดเพราะบนเส้นทางของความเพียรพยายามนั้นจึงส่งสอนให้พยายามด้วยไปแต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทนความสงบสืบต่อไป